ให้จบพบจบชาติได้ฤทธิ์ที่เป็นอิทธาภิสังขานี้ไม่ให้ความหมายสำคัญกับฤทธิ์เหล่านี้ทิ้งแม้กระทั่งฤทธิ์อิทธาภิสังขานจะหมดสภาพไปอนาวรญาณจะเกิดขึ้นมาเองจะสามารถรู้วาระดำ ความเป็นมาความเป็นไปของสรรพสัตว์ไม่ว่าภาคยาหรือภาคทิพย์ที่อยู่ต่อหน้าติดขัดข้องคาเรื่องไหนมาติดกรรมแบบไหนมามีจริตนิสยัยอนุสัยอย่างไรมีวิบา ก, กรรมอะไรบ้างที่เป็นเครื่องรั้งเครื่องถ่วง